พ่อตั้งชื่อกลับมาทางนี้ระหว่างคุยเดี๋ยวก็ลากไปทางอื่นเราบอกกลับมาทางนี้คือ <c oughs> มันอย่างนี้เนาะอันนี้คุยกันก่อนว่าที่วัตถุประสงค์ของหลวงพ่อก็คือว่าอย่างไงก็แล้วแต่ต้องกลับมารู้ที่ตัวแต่ทีนี้เวลาระหว่างคุยสนทนาเนี่ยส่วนใหญ่นะคู่สนทนาเนี่ยก็มักจะลากไปรู้เรื่องตำราบ้างเรื่องอะไรบ้างคือลากไปรู้นอกตัวไป จนลืมตัวแต่อันนี้ไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่เพื่อจะชี้บอกว่าอันนั้นอ่ะมันเป็นเป็นรู้นอกตัวแต่ที่มันสาระสําคัญที่มันแก่นคือนี่กลับมาจากสองทางนะนะให้รู้จักสองทางว่าทางหนึ่งมันเป็นทางที่ไม่ใช่ทางแต่ถ้ากลับมานี่คือเนี่ยทางเนี่ยคือมันเป็นทางนะ <c oughs> ก็ให้รู้จักสองทางเสียเพราะว่าในชีวิตแบบโลกโลกเนี่ยมันก็ต้อง ต้องรู้นอกตัวอยู่แล้วแหละเป็นธรรมดาเป็นปกติแต่ว่าทางที่มันพ้นทุกข์คือกลับมารู้กายรู้ใจซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องรู้ระ ว, วางรู้แล้วละเนาะรู้แล้วไม่ยึดอ่ะมันเป็นตรงเนี้ยถ้าเราไม่ไม่เข้าใจทางทางนี้เนี่ยมันก็ก็จะเส๋ออกไปก็เน้นตรงนี้แหละยินขอให้เริ่มต้นเถอะเพราะว่าเดี๋ยวฝึกไปฝึกไปเนี่ยมันก็จะ จะรู้จะเห็นแล้วก็จะเข้าใจไปไปตามลำดับมันมีจริงๆในเรื่องรูปแบบมันจริงๆมันก็สำคัญมากนะหลวงพ่อว่านะสำหรับผู้ผู้ใหม่เนี่ยเพราะว่าถ้าไม่มีรูปแบบคือมันเหมือนกับว่าฟังอย่างเดียวแล้วมันเคว้งฟังไงฟังฟังฟังแล้วก็มันไม่ได้สัมผัสกับอารมณ์ที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นในกายในใจ แต่ว่าถ้าทำตามรูปแบบมันก็จะรับรู้ได้ว่าระหว่างที่เราทำอยู่เพราะว่าเราต้องตักตัวเองเนาะเราไม่ไปพูดคุยกับใครเราไม่ไปดูหนังไม่ไปดูทีวีไม่เล่นเช็ดไม่เล่นไลน์เราอยู่กับตัวเองการที่อยู่กับตัวเองนานๆเนี่ยมันก็จะมีอาการเรียกว่าสภาวะที่มันเกิดขึ้นในกายในใจเนี่ยมันก็จะรับรู้ได้ว่าเออเป็นยังไงบ้างอย่างน้อยก็คือ ได้รู้จักอารมณ์เนาะได้รู้จักสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวแม้จะไม่ได้เข้าใจอะไรมากแต่ก็ได้พบได้เห็นได้ผ่านประสบการณ์แล้วประสบการณ์เหล่านี้เมื่อเราได้ยินได้ฟังกับคำสอนคำบอกมันก็จะเข้าใจง่ายเลยเช่นคำสอนคำบอกเ็าบอกว่าอ่ะเมื่อรู้ตัวเองแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นอาการต่างเกิดขึ้ น, นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไป ทีนี้ตัวเองอผู้ปฏิบัติก็จะเข้าใจได้ง่ายเพราะว่ามันผ่านอารมณ์พวกนี้มาแล้วนี่อพอผ่านมาแล้วเสร็จการฟังอะไรก็จะเข้าใจง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าไม่เคยฝึกไม่เคยทำเอาแต่ฟังอย่างเดียวตรงนี้มันมันเข้าใจไม่ได้อะเพราะว่ามันไม่ผ่านประสบการณ์มา อ, อันนี้กรหลวงพ่อก็คุยในเบื้องต้นก่อน ว่าหลวงพ่อได้ฟังฟังซ้ำอ่ะนะได้ทบทวนคำถามของโยมโยมดนเห็นความคิดนะเมื่อรู้ความคิดแล้วความคิดมันมันจะหยุดไปไหมหรือมันยังไงเออพอหลวงพ่อมาฟังใหม่ความรู้สึกว่าเออหลวงพ่ออาจจะตอบไม่ไม่ครบถ้วนนะไม่ครบถ้วนในสิ่งที่โยมถามวันนี้ก็เลยตอบต่อกันแล้วกันอย่างนี้คือคือความคิดเนี่ยนะมันเป็น มันเป็นสังขารนะมันเป็นสังขารซึ่งมันเมื่อมีเหตุปัจจัยเนี่ยมันต้องคิดอยู่แล้วจะรู้หรือไม่รู้มันก็ต้องคิดถึงรู้แล้วยังมีเหตุปัจจัยให้คิดมันก็ยังคิดอยู่หลวงพ่ออุปมาเหมือนกับลมหายใจอะนะลมหายใจเนี่ยคือมันเป็นส่วนกายเนาะมันจะไม่หายใจตลอดหายใจเข้าหายใจออกจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยมันก็ยังหายใจอยู่อืม ทีนี้ไม่ใช่ว่าความคิดเอ้ยไม่ใช่ว่าลมหายใจพอรู้แล้วมันจะหยุดหายใจไม่ใช่มันก็ถึงรู้แล้วมันก็ยังหายใจต่อไปมันไม่ได้สนใจว่ารู้หรือไม่รู้ส่วนความคิดเนี่ยถ้ามันเป็นความคิดประเภทเมอเผอเพลินนะคือหลงหลงคิดอะอย่างเนี้ยเมื่อรู้แล้วมันจะดับอ่านะมันจะถูกตัดขาดเลยคือมันคิดต่อไม่ได้ แต่ว่าหมายถึงว่ามันคิดต่อไม่ได้แค่ขณะจิตเดียวนะพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะคิดได้อีกอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดที่เกิดจากความเม่อเพลินที่หลงขณะใดที่รู้สึกตัวความคิดเนี้จะขาดลงในขณะจิตหนึ่งต่อจากนั้นมันก็คิดต่อส่วนความคิดที่มันเป็นคิดแบบสังขารขันเนี่ยคิดแบบธรรมดาไปปกติเนี่ย ถึงรู้แล้วมันก็ยังคิดอยู่เออมันก็ยังคิดอยู่มันมันไม่สนใจว่าจะรู้ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นเป็นความคิดตามธรรมชาติเอ่อมันเป็นความคิดที่ไม่ใช่เหมื่อเพลิน ม, ม, มันเป็นปกติธรรมดาเหมือนกับลมหายใจประมาณนี้เออเพราะฉะนั้นที่ผมถามเมื่อวานเนี่ยดูแล้วเออหลวงพอ่อตอบไม่ครบนี่นะตอนนี้ตอบให้แล้วไม่รู้ว่ายังสงสัยประเด็นอีกนี้อีกไหมอ่าก็ พ, พูดถึงเรื่องการ ฝึกสติเบื้องต้นก่อนเนา ะ, ะเบื้องต้น่แน่ใจว่าโยมเขาเคยฝึกแนวหลวงพ่อเทียนมาก่อนหรือไม่ออถึงแม้ว่าจะรู้รูปแบบของการฝึกนะเช่นยกมือสิบสี่จังหวะเนี่ยถึงรู้แล้วแต่ในขณะที่ฝึกเนี่ยมันมันยังมีการเพ่งมีการจ้องนะจะมีตัวเราเป็นเป็นผู้ฝึกนะจะมีตัวเราเป็นผู้ฝึกแต่ทีนี้เมื่อ อะไรนะก็เรียกว่าเมื่อเอาตัวเราเป็นไปเป็นผู้ฝึกเนี่ยก็คือมันก็เป็นจุดเริ่มต้นคือถูกต้องแล้วถูกต้องที่ว่ามียังมีตัวเราอยู่เป็นผู้ฝึกแต่ความจริงเนาะความจริงเนี่ยมันตัวเราไม่มีหรอกผู้ฝึกก็ไม่มีแต่เอาละในเมื่อเรายังไม่เข้าใจยังไม่แจ่มแจ้งในเรื่องของความไม่มีตัวตนมันก็ต้องเอาตัวตนไปฝึกคือเอาเราไปฝึกอ่าเราเป็นผู้ฝึกเราก็จะ เป็นผู้มีสติเราเป็นผู้มีสติแล้วก็จะเห็นเห็นกายที่เคลื่อนไหวเราเนี่ยจะรู้กายเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวยกมือไปยกมือมายกมือไปยกมือมา ư? แล้วก็เมื่อทำไปมากๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตัวในกายในใจนะอย่างน้อยความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายก็คือความรู้สึกเมื่อยๆตึงๆหนักๆ อ่าเห็นไหมจริงจริงอ่ะเดิมเราแค่ยกมือให้มันเคลื่อนแล้วก็รู้แต่พอยกไปยกมามันก็จะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกเออมันหนักหนักมันเมื่อยเมื่อมเมื่อยมือเนาะเมื่อยมือเมื่อยแขนอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงว่าอาจจะเมื่อยเมื่อยไหลปวดเมื่อยปวดก้นปวดอะไรเนี่ยมันก็ค่อยค่อยรับรู้ไปสิ่งเหล่านั้นน่ยมันเป็นอาการนะอาการที่เกิดขึ้นในกาย อาการเกิดขึ้นแล้วก็เกิดการรับรู้ขึ้นมาแต่ความรู้สึกทั้งหมดที่รับรู้เนี่ยมันเหมือนกับว่ายังมีเราเป็นผู้รับรู้อยู่เนาะยังมีเราเป็นผู้รับรู้ถึงความรู้สึกแต่ส่วนความเมื่อยความตึงความอะไรเนี่ยแรกๆก็อาจจะเข้าใจก่อนว่าเออเนาะมันเกิดเองมันเป็นเองเราไม่ได้ทำให้มันเกิด เราไม่ได้ทำให้มันเกิดแล้วมันก็จะเข้าใจได้ไม่ยากที่ว่าเออมันไม่ใช่เราเพราะมันเป็นสิ่งถูกรู้นี่มันเป็นสิ่งที่ถูกเรู้แล้วก็อาการนั้นเนี่ยมันเริ่มชัดเจนขึ้นว่าอ๋อมันเกิดเองดับเองมันเกิดเองดับเองเออรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราแน่นอนถ้าเป็นเรามันไม่ต้องเป็นมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ ถ้าเป็นเรามันจะต้องอาการนั้นมันจะต้องคงที่ไม่เปลี่ยนแต่ปรากฏว่ามันเปลี่ยนอมันไม่ใช่เราอันนี้เริ่มมีปัญญาแล้วว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เราแต่การรู้เนี่ยยังเป็นเรารู้อยู่เนาะการรับรู้ยังเป็นเรารู้อยู่แม้ถึงแม้ว่าจะบอกว่าสติเป็นผู้รู้ไอ้นั้นมันเป็นแค่สิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาว่าเออฝึกสติ เพราะฉะนั้นเวลาอะไรเกิดขึ้นก็สติสติเป็นผู้ระลึกได้สติเป็นผู้รู้แต่เอาเข้าจริงอะ่ะเราแหละเราจะเป็นผู้รู้อยู่แต่ก็ไม่เป็นไรก็ฝึกรู้ไปอย่างนี้ก่อนฝึกรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งฝึกไปฝึกมาเนี่ยต่อไปมันก็จะรู้เองว่าแม้กระทั่งสติมันก็ไม่เที่ยงบางทีระลึกรู้บางทีไม่รู้ก็มีบ่อยไปทั้งทั้งที่เจตนาจงใจฝึก แต่สุดท้ายมันก็หลงลืมอยู่ดีก็เลยเริ่มรู้ว่าอ๋อสติมันก็ไม่เที่ยงสติก็เออมีการขาดเนาะไม่ใช่ว่ารู้ตลอดก็เลยเริ่มรู้จักว่าอ๋อสตินี่มันก็ไม่ใช่เราสติไม่ใช่เราถ้าเป็นเราจริงอะ่ะเราจะต้องออสั่งให้สติมีอยู่ตลอดเวลาได้แต่อันนี้สั่งไม่ได้โอสติมีความ ไม่เที่ยงเกิดดับเหมือนกันก็จึงยอมรับได้ในลำดับต่อมาว่าสติก็ไม่ใช่เราสติก็ไม่ใช่เราแต่การรู้มันยังเป็นเราอยู่คือรู้ว่าสติขาดหรือสติมีมันยังเป็นเรารู้อยูย่แต่ทีนี้ถ้าฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยให้สังเกตย้อนเข้ามาที่ตัวเราที่เป็นผู้รู้เนี่ยว่าอา้าวถ้าเราเป็นผู้รู้จริง ถ้าเราเป็นผู้รู้จริงเนี่ยเราจะต้องรู้ตลอดว่าสติมีหรือสติไม่มีแต่ปรากฏว่าเอาเวลาเรานอนหลับทาไมเราไม่รู้อะไรอะ่ะเออหรือว่าเวลาเราคุยเพลินเพลินทำไมเราไม่รู้ในสิ่งที่เคยรู้แสดงว่าเราก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเราก็ไม่เที่ยงผู้รู้เนี่ยที่เป็นเรามันก็ไม่เที่ยง ก็เลยรู้ว่าเอ้าผู้รู้ก็ไม่เที่ยงผู้รู้ก็ไม่เที่ยงนะเมื่อผู้รู้ไม่เที่ยงแล้วผู้รู้จะเป็นเราได้ยังไงพอมาถึงจุดเนี้ยมันก็จะทำให้เข้าใจว่าผู้รู้ไม่ใช่เราผู้รู้ไม่ใช่เราผู้รู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวไม่รู้ถ้าเข้าใจว่าผู้รู้ไม่ใช่เราเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าปล่อยวางตัวตนปล่อยวางตัวตน พอปล่อยวางตัวตนแล้วพ้นจากนี้ไปมันมีอะไรอีกไหมล่ะมันก็ไม่มีตัวตนที่ไหนแล้วนี่มันหมดแล้วมันหมดแล้วไม่มีแล้วแล้วทีเนี้ยพอหมดจากความเป็นตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีเราทีนี้ลองประมวลเรื่องทั้งหมดเหรอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันปรากฏขึ้นมันก็เป็นแค่สิ่งที่ปรากฏปรากฏแล้วหมดไปปรากฏแล้วหมดไป ไม่ยกเว้นไม่ว่าจะ ก, กายเคลื่อนไหวปรากฏแล้วก็หมดไปไม่ว่าความเจ็บความปวดความเมื่อยปรากฏแล้วก็หมดไปไม่ว่าสติที่รู้แล้วเดี๋ยวก็ไม่รู้มันก็หมดไปแม้กระทั่งผู้รู้ที่เคยยึดถือว่าเป็นเราแต่ผู้รู้ก็ไม่คงทนถาวรเดี๋ยวเวลานอนหลับเวลาทํา น, นู่นทํานี่ผู้รู้ก็หายไปเพราะฉะนั้นมันมีแต่สิ่งเกิดสิ่งดับเนี่ยในโลกนี้มีแต่สิ่งเกิดสิ่งดับไม่ใช่เรา ไม่ใช่อะไรเลยนะเราไม่มีในสิ่งใดมีแค่สิ่งเกิดสิ่งดับพอเข้าใจครบถ้วนทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะง่ายแล้วว่าโอ้มันมีแต่สิ่งเกิดสิ่งดับเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะไปหวังอะไรได้เคยจะไปหวังอยากจะถึงนิพพานเพราะว่าถ้ามีหวังอยากได้นิพพานอยากพ้นทุกข์แสดงว่ามันก็ต้องมีตัวเราเกิดขึ้นอีกแล้วเกิดขึ้นที่อยากจะให้ตัวเราถึงนิพพาน อยากให้ตัวเราพ้นทุกข์นี่แสดงว่าตัวเราเกิดเพราะฉะนั้นต้องรู้เท่าทันคือมีปัญญารู้เท่าทันว่ามันมันมีตัวเราเกิดแล้วแต่จริงๆริอะพอรู้เท่าทันปั๊บมันจะรู้เลยว่าอ๋อไอ้ที่เกิดนี้มันก็เป็นสิ่งที่เกิดเป็นสิ่งที่ดับมันไม่ใช่ตัวเราอีกแล้วมันเป็นแค่สิ่งเกิดสิ่งดับเพราะฉนั้นเมื่อคราวใดที่หลงนะขาดสติปัญญา พอมันเกิดความรู้สึกพอมันมีความคิดขึ้นมาว่ามีตัวเราแต่ขาดสติปัญญาเนาะเลยรู้ไม่ทันนึกว่ามีตัวเราจริงๆแต่ถ้ามีสติปัญญามันก็จะรู้เลยว่าอา้าวมันก็แค่มีแค่สิ่งเกิดสิ่งดับนี่เห็นไหมความเป็นตัวเราก็ถูกความเป็นตัวเราก็ดับไปหายไปเพราะฉะนั้นตรงนี้จำหลักให้แม่นเลยว่าจริงๆมีแค่สิ่งเกิดสิ่งดับ นะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นแค่สิ่งเกิดสิ่งดแบบับมันไม่มีเราจริงๆให้ใช้หลักตรงนี้เลยถ้าหลักแม่นแม่นอย่างเนี้ยมันโอกาสจะหลงเนี่ยมันก็สั้นลงหรือว่าน้อยลงหลงเมื่อไหร่มันก็รู้ทันว่าอ่ะหลงแล้วเผลอไปแล้วเผลอไปไปยึดถือเป็นตัวเป็นตนอย่างเงี้ยมันก็รู้เท่าทันพอรู้เท่าทันมันก็หลุดพ้นคือมันหลุดพ้นจากสังขารน่ะสังขารที่ปรุงมาว่าเป็นตัวเรา เป็นของเราต่อมาณนี้เมื่อรู้เท่าทาันอย่างนี้ก็เสร็จแล้วก็ก็คือจบอันนี้คือหนทางมันเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยลองดูซิว่า ม, มันมีความหวังอะไรทั้งเยอะแยะแยะไอ้ความหวังต่างๆนั่นแหละคือมีตัวเราเป็นผู้หวังแต่ถ้าถ้าถ้าไม่มีตัวเราผู้หวังไม่มีมันก็ไม่มีอะไรมันก็วนกลับมาที่มีแค่สิ่งเกิดสิ่งดับเท่านั้นเองเนี่ยกรอบของธรรมะมันมันแคบแคบมันสั้นๆแบบนี้ไม่ได้ สลับซับซ้อนอะไรเลยอะไรเนี่ยหลวงพ่อยกตัวอย่างประกอบแล้วกันนะอย่างตอนนี้ฝนตกเนาะที่ที่หลวงพ่ออยู่เนาะลองลองดูภายนอกก็ได้ว่าฝนตกเนี่ยมันก็ตกของมันเองอ่าเขาเรียกว่ามันปรากฏแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่หลวงพ่อจะเข้าผับเฮาเนี่ยฝนยังไม่ตกฝนยังไม่มีเห็นไหมแล้วต่อมาตอนนี้มันมีแล้วก็กําลังมีอยู่บอกกาลังมีอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าปรากฏแล้วแล้วก็กําลังปรากฏแต่ ต่อไปเนี่ยมันไม่ได้ปรากฏถาวร อ, อยู่แล้วมันก็ต้องหมดไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นฝนเนี่ยมันก็เป็นแค่สิ่งที่ปรากฏแล้วหมดไปทีนี้เรามามองในเทียบในร่างกายในจิตใจมันก็เหมือนกันร่างกายก็ปรากฏแล้วตอนนี้ปรากฏแล้วแล้วก็ต่อไปก็ร่างกายก็แตกสลายตายหมดก็หม ด, หมดไปใช่ไมความเจ็บความปวดความเมื่อยก็ปรากฏปรากฏแล้วก็ปกแปลเปลีป่ยนไปแล้วก็หมดไปทางจิตใจ ความคิดความรู้สึกมันก็ปรากฏเป็นครั้งเป็นขณะปรากฏแล้วก็หมดไปปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นธรรมชาติภายนอกคือฝนกับธรรมชาติภายในตัวก็คือสิ่งเดียวกันคือเป็นสิ่งที่ปรากฏปรากฏแล้วหมดไปปรากฏแล้วหมดไปไม่มีตัวตนตรงไหนเลยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มีสติเห็นอยู่อย่างเนี้ยต้องอาศัยสติไปก่อนเนาะอาศัยสติเพื่อเป็นเรือพาข้ามฟากนี่แหละอย่าทิ้งสติอย่าทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้คือมีสติแล้วก็รู้เห็น อะไรเกิดขึ้นก็รับรู้รับรู้มันก็ก็ปรากฏแล้วหมดปรากฏแล้วหมดมันจะมันจะหมดตอนไหนแต่มันก็ต้องหมดอยู่แล้วจริงๆอะมันหมดทุกขณะจิตเนาะแต่บางทีมันดูไม่ทันแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือเน้นสิ่งที่ปรากฏก่อนว่ามันแค่เป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เราพอก็มานึกถึงสิ่งที่ปรากฏเนาะเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏได้เนี่ยมันจะต้องมีความไม่ปรากฏเป็นพื้นรองรับอยู่ก่อน เป็นความไม่มีไม่ปรากฏไม่ปรากฏการเกิดอะไรแล้วก็พอมันปรากฏพอเริ่มอพอเริ่มปรากฏป p, ั๊บนี่แสดงว่าสิ่งที่ปรากฏปรากฏแล้วแล้วสิ่งที่ปรากฏเนี่ยลองสังเกตนะมันก็ดับไปมันดับไปเลยนะมันดับด้วยกฎของของมันเองเลยของธรรมชาติเลยไม่ต้องมีเราต้องไปดับไม่ต้องมีเราไปไปช่วยดับเพราะมันเกิดเองแล้วมันก็ดับเอง แล้วก็พอปรากฏไอ้นี้ดับเนาะมันก็ปรากฏสิ่งใหม่อีกแล้วก็ปรากฏขึ้นอีกแล้วก็ดับอีกนะแล้วก็อา้าวพอดับเสร็จแล้วก็ปรากฏใหม่ก็ปรากฏอีกแล้วแล้วก็ดับใหม่อีกหลวงพ่อยกตัวอย่างแบบนี้เลยเอ้าวให้เห็นภาพก็คือว่าสมมุติว่าเราเวลาเราคุยสนทนาธรรมะกันเนาะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยโอเคอันนี้ก็เรียกว่ากําลังพูดก็คือปรากฏแล้ว แล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยโยมยังไม่พูดอหโยมยังไม่พูดการปรากฏของการพูดก็ยังไม่มีหมายถึงว่าพูดทางปากกันนะยังไม่มีก็ถ้าเกิด ว, ว่ายังไม่ปรากฏพอหลวงพ่อหยุดพูดปั๊บโยมก็พูดขึ้นมาคือถามปัญหาก็ได้หรือชวนคุยอะไรก็ได้นั่นแหละก็เรียกว่าการพูดหรือการเปล่งวาจาตรงนั้นแหละคือปรากฏแล้วแต่เมื่อปรากฏแล้ว มันก็หยุดไงเวลาหยุดพูดก็คือหยุดการปรากฏนี้ก็หมดไปพอหมดไปเสร็จแล้วก็หยุดไปพักหนึ่งแล้วก็พูดใหม่พอพูดใหม่ก็คือปรากฏอีกแล้วพอปรากฏอีกแล้วอา้าวแล้วก็หยุดพูดอีกแล้ ว, ว ก, กว็ความปรากฏก็หมดไปเนี่ยในชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็มีอย่างเนี้ยในเรื่องของอะนี้หลวงพ่อยกตัวอย่างเรื่องของการพูดก็คือเดี๋ยวพูดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวพูดเดี๋ยวหยุด พอเริ่มพูดปับ๊บนี่เริ่มปรากฏพอพูดแล้วมันก็ต้องหยุดสิใครพูดทั้งวันหรือแม้ว่าคําพูดแต่ละประโยคอะ่ะเอ อ, ขอเขาเรียกว่ามองให้ละเอียดขึ้นก็คือว่าพอเริ่มพูดหนึ่งพยางหนึ่งคำอะอันเนี้ยเรียกว่าปรากฏแล้วพอพูดคําที่สองคำแรกก็หมดแล้วคําที่สองก็ปรากฏแล้วพูดคําที่สามคำที่สองก็หมด คำที่สามก็ปรากฏเห็นไหมแล้วมันก็จะเป็นคำที่สี่คำที่ห้ากี่คำกี่หมื่นกี่แสนคำก็แล้วแต่คำใดก็ตามที่ปรากฏแล้วคำนั้นก็ต้องหมดไปคำนั้นก็ต้องหมดไปอันเนี้ยเขาเรียกว่าเห็นที่ต้นของการพูดเห็นที่ต้นก็คือเห็นขณะที่มันเริ่มพูดตรงเนี้ให้เห็นการเห็นที่ต้นตรงเนี้มันทําให้เขาเรียกว่ารู้ของสิ่งมันกําลังเกิดพอดีนะ แล้วก็แต่ถ้าไม่เห็นไม่เห็นจุดตั้งต้นของมันเนี่ยมันพูดตั้งหลายคำจึงนึกขึ้นได้ว่าโอ้โหนี่ผ่านมายาวเหยียดแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเพียงแต่รู้ว่าเออมันเกิดขึ้นหลายคำแต่ก็ผ่านมาแล้วไอ้นั้นก็ถือว่าก็รู้แล้วก็ไม่เป็นไรก็ให้เริ่มสังเกตการเกิดอันใหม่ที่เป็นปัจจุบันนะสังเกตอันใหม่ที่เป็นปัจจุบันสังเกตตามเห็นอยู่อย่างนี้ ก็จะรู้จักเลยว่าอ๋อสภาวะการเกิดนี่นะคืออย่างนี้นะคืออย่างนี้ส่วนสภาวะไม่เกิดคือมันเป็นมันเป็นสิ่งที่รองรับกับความเกิดอยู่แล้วอะไรที่ที่เกิดมามันก็ดับในความไม่เกิดนั่นแหละเพราะความไม่เกิดเนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นอมะตะเป็นเป็นนิรันการคือมันเป็นอยู่อย่างนั้นคือไม่เกิดเลย แต่สิ่งที่เกิดต่างหากเกิดแล้วหมดไปเกิดแล้วหมดไปแต่ความไม่เกิดความไม่ปรากฏเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนิรันดร์คือมันเริ่มต้นตั้งแต่มาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ปัจจุบันมันก็ยังไม่เกิดอนาคตมันก็ไม่เกิดเพราะมันเป็นความไม่เกิดเพราะฉะนั้นความไม่เกิดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นนิพพานก็ได้อะเป็นนิพพานคือความไม่ปรากฏเป็นความไม่เกิดแต่ความเกิดเนี่ยตรงเนี้ยก็ดูง่ายนิดเดียวพอมัน มันมีแล้วก็แสดงว่าเกิดแล้วอเออแล้วก็แยกกันได้ขาดว่าความไม่เกิดเนี่ยมันก็คือเป็นธรรมะประเภทควายไม่เกิดมันก็อยู่อย่างนั้นส่วนไอ้ธรรมะที่มันเกิดมันก็เกิดเกิดดับๆับมันอยู่อย่างเนี้ยมันก็อยู่คู่กันอย่างเนี้ยตลอดนะมันอยู่คู่กันตลอดเออแต่ทีนี้เวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีจุดผิดอยู่ตรงที่ว่ามันจะเอาตัวเราเนี่ยไปหยุดบางสิ่งบางอย่างไม่ให้มันเกิด ไปข่มอาไว้ไปกดมันไว้ไม่ให้มันเกิดมันทําได้ยังไงอ่ะมันทําไม่ได้หรอกเพราะว่าการเกิดถ้ามันเกิดก็คือเกิดอ่าไอ้ที่ไม่เกิดไม่ต้องไปทํามันก็ไม่เกิดอยู่แล้วเอแต่ทีนี้พอปฏิบัติผิดปับไปทําไอ้สิ่งที่มันเกิดให้มันดับอย่างเร็วหรือว่าไปห้ามไปหยุดไม่ให้มันเกิดเลยเช่นคนส่วนมากเนาะไม่ให้มันเกิดความคิดไม่ให้มันเกิดความคิดพอรู้สึกว่าความคิดมันมาแล้ว มันวุ่นวายใจก็ไปกดเอาไว้ไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันคิดแต่จริงๆอ่ะขณะที่กำลังกดกำลังไปจัดการน่ะคิดอุตรุดแล้วคิดว่าไม่ให้มันเกิดคิดว่าไม่ให้มันเกิดแล้วก็ใช้กำลังไปจัดการอย่างนี้เหนื่อยตายเลยแล้วก็ไม่สำเร็จแล้วก็ผิดทางด้วยผิดด้วยเพราะว่ามีตัวเราไปฝืนธรรมชาติไปฝืนมันแต่ถ้าถูกทางก็คือว่าเอา้ามันเกิดก็รู้ดิ มันเกิดก็รู้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าไม่เหนื่อยมันเกิดขึ้นก็รู้มันดับไปแล้วก็รู้มันเกิดใหม่ก็รู้มันดับแล้วก็รู้คือรู้ตามที่มันเป็นพูดง่ายๆคือมันเกิดก็รู้มันดับก็รู้ไม่ต้องไปแทรกแทงไม่ต้องไปจัดการอะไรทั้งหมดเลยรู้รู้แบบแบบไม่ต้องทำอะไรอะ่ะเขาเรียกว่ารู้ซื่อๆอ่าเพราะนั้นเราปฏิบัติใหม่นะคนไหนปฏิบัติผิดก็ปรับปรุงใหม่ว่า อ, อ๋อที่แล้วมา มันผิดมันเอาตัวเราไปยุ่งเอาตัวเราไปจัดการแล้วเหนื่อยมากพอไม่สมใจอยากแล้วมันคับแค้นมันคับแค้นเราทําไม่ได้เราทาไม่ได้จริงๆอ่ะมันไม่มีเราอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่มีเมื่อเราไม่มีเราก็ไม่ได้ทําอะไรมีแต่สิ่งเกิดสิ่งดับมันก็เป็นของมันเช่นนั้นเองเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติถูกทาง คือเห็นตามความเป็นจริงในปัจจุบันมันเป็นอย่างไรก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นก็เข้าใจว่ามีการเห็นตัวคนที่พูดแล้วก็ถามนะฮะอันนี้ก็จะเห็นเห็นเห็นอัตโตมติครับว่าเรากําลังจะพูดถามกับตรงข้อฮะว่ามีตัวนี้อยู่นะฮะก็ยังย่งย่งเข้าใจก็ว่าเราต้องใช้สปปรปสานในการติดต่ออยู่ฮะก็จะจะเห็นเห็นดีขึ้นแล้วก็ไม่เอื้อดอัดนะฮะว่า เ, เราจะปฏิบัติยังไงเพราะว่าจะเห็นการโต้อตอบก็ว่ามีคนคนหนึ่งโต้อตอบแล้วก็ถามถามหลงข้ออะไรเงี้ยฮะก็พยายามจะคือไม่มีความพยายามแต่ว่ามันมันอัตโนมติมากขึ้นครับถ้าถ้าเราเออรู้โดยโดยที่เออเป็นของมันเองครับ